มีโสเพนีมาเล้าลงพระโมคคลลันนะท่านบอกว่ากระท่อมคือร่างกายมีกระดูกเป็นโครงสร้างฉาบทาด้วยเนื้อร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดคนทั่วไปพากันยึดถือแต่สําหรับเราเป็นของน่ารังเกียจร่างกายของเธอไม่ต่างจากถุงใส่อุจจระมีหนังห่อหุ้มปกปิดไว้เหมือนนางปีศาจมีผื่นขึ้นที่หน้าอก มีช่องเก้าช่องให้ของสกรปรกไหลออกเป็นนิดมันต่างจากภาพที่เราเห็นไหมไม่ต่างเลยท่านเห็นทะลุหมดเลยภิกษุอย่างเราย่อมไม่เหลียวแลร่างกายของเธอเหมือนชายหนุ่มผู้รักความสะอาดย่อมหลบหลบีกปัดสาวะอุจจาระเสียห่างไกลคล้ายชายหนุ่มผู้รักความสะอาดเห็นหลงอุจาระที่ฝนตกใส่ย่อมหลบหลีกเสีย อากาศคือความว่างเปล่าใครก็ตามที่หวังจะเอาขมิ้นหรือน้ำย้อมอย่างอื่นไปย้อมอากาศย่อมเหนยเปล่าจิตของเราว่างเปล่าเหมือนอากาศมั่นคงอยู่ภายในฉะนั้นเธออย่าหวังความรักจากจิตที่ว่างเปล่านี้เลยเพราะเธอจะพบกับความปวดร้าวเช่นเดียวกับมแมลงเม้าบินเข้ากองไฟลองนึกว่ามีโสเพณีคนหนึ่งที่เป็นสาวงามเมืองใครๆก็ปราถนา แต่มารูปพระเม่าขลานะซึ่งความรู้สึกของท่านเหมือนกับที่เราเอามือขวารูปมือซ้ายเลยคือโท ค, คงคิดว่าเธอในสุดยอดแล้วใครๆก็ปาถนะลองเอามือขวารูปรูปเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ปรุงเลยอ่ะนึกออกไหมมันอยู่ในสภาพที่เป็นปกติจิตว่างจากการปรุงแต่งทั้งหมด มีใครบ้าจี้ยกมือหน่อยครับลองจองอี้ตัวเองเสียไม่ไม่ไม่ไม่จี่ตัวเองจี้ตัวเองเลยไม่ใช่จี้ลองจี้ตัวเองบีบจี่ตัวเองเนี่ยลองจี้ตัวเองจี้ไหมลองจี้ตัวเองจี้ไหมอ๋อมันเป็นแค่เส้นประสาทเฉยๆไอ้ที่สะดุ้งเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกจักระจี้เนี่ยถ้าเกิดเอาคนอื่นมาจักระจี้เนี่ยมันจะรู้สึกจักระจี้ อะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหยลองลองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้ชัดเจนอต่อย่างงี้ชัดเจนอะลองเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนใหม่ลองจี้ตัวเองทีนี้ <S <S เออทาไมไม่เหมือนกัน <S <S <S <S ท่านพุทธทาสเคยพูดไว้ในซีดีบอกว่าพระรหันไม่จักระจี้อะเนี่ยเราลองเมื่อกี้ที่ปั๊บกระเดงเลยถูกไหม แต่นี่พอจี้ตัวเองไม่เป็นเพราะนี่ไงมันไม่ปรุงแต่งแต่ผมฟังซีดีที่ท่านพุทธทาสพูดไว้ท่านบอกว่าแต่ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงจะมีใครกล้าจี้ท่านไหมสกิจเคยนวดหลวงพ่อว่าไงขอลองแล้วเหะ ได้ดีหาเรื่อง <c> ่า <oughs> งั้นสุพกิจคอนเฟิร์มนะครับวาคนนี้นวดออหมดแล้วครูบาอาจารย์เผอไม่ได้ละนวดหมดเห็นคาเห็นแข้งจ่ำนวดหมดเลยหลายคนเห็นแล้วแต่เมื่อกี้เท่าที่ดูท่านไม่เห็นพระโมคคัลลานนะอาจจะไม่เห็นอันเนี้ย